ธรรมชาดกแผ่นที่หาลำดับที่ส0โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่3กันยายน2548มีชื่อเรื่องว่าวิบากกรรมของเทรต ว, วันนี้เป็นวัน พระแรม14่คํำเดือน9ถ้าจะว่าไปนั่ก็คือเดือน9ดับพระเข้าพรรษาพระจำพรรษามาก็เป็นเวลา1เดือนครึ่งวันนี้แปลว่าครึ่งพรรษา3เดือนวันนี้ได้หนึ่งเดือนครึ่งต่อไปอีกยังเดือนครึ่ง ก็จะเป็นวันออกพรรษาเพราะนั้นพวกเราศรัทธาญาติโยมทุกท่านรอดถึงพระสงฆ์ก็ให้พยายามทบทวนการกระทาของพวกเราตรงไหนที่ขาดเหลือขาดตกบกพร่องก็พยายามทําให้เต็มตื่นขึ้นพยายามทาให้จะให้ขาดตกบกพร่องซ้ำเติมเข้าไปอีกหรือวันไหนที่เรา ตังจิตอธิษฐานว่าจะไม่ให้ขาดในการไหว้พระสวดมนต์ทุกวันแต่ถ้ามันขาดเราก็พยายามทาเพิ่มไปอีกก็ได้เนี่ยทำไมมันขาดทาวันหนึ่งสองครั้งก็ได้พอมันขาดเนี่ยเผื่อที่มันขาดไปด้วยเพราะความตั้งใจของเราจะไม่ให้ขาดในการทำวัดสวดมนต์เช้าเย็น สิ่งเหล่านี้ให้พวกพวกเราพยายามทบทวนอย่าให้มันขาดตกบกพร่องไปได้ในเมื่อเราตั้งจิตแ น, แน่วแน่ตั้งจิตอธิษฐานด้วยสัจจะความจริงใจของของเราแล้วเพราะนั้นจะ่ให้มันโกหกตัวเองนะในรรษาพยายามให้เต็มเปี่ยมพยายามทาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าให้โกหกตัวเองสรุปแล้วถ้าโกหก คนอื่นโกหกอเราเราก็โมโหแกเขาแต่พอตัวเองโกหกตัวเองเน่หะหัวเราะเฮ่เฮฮฮทั้งวันนะโกหกทั้งเช้าทั้งสายบ่ายเย็นว่าจะทําอย่างนั้นว่าจะทำอย่างนี้โกหกอยู่เลยแต่เขาโกหกหน่อยเดียวท่านเองโกหกลุกตาลุกเป็นฟืนเป็นไฟโมโหให้เขา สิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้คิดเหมือนกันนะทบทวนเพราะฉะนั้นอย่าพยายามอย่ากโกหกตัวเองพยายามทําให้ถูกต้องเมื่อเราได้ตั้งจิตแนวแนนไว้แล้วนะอันนี้ก็ให้พยายามพวกเราพยายามทบทวนพยายามกรรองไต่ตองที่ผ่านมาเดือนครึ่งเนี่ยเราได้ทําอะไรไปบ้างและจิตใจของเราทางด้านจิตใจของเรา ในพรรษานี้เป็นยังไงกับพรรษาที่แล้วถ้าท่าว่าพรรษาที่แล้วจิตใจของเราได้รับความเยือกเย็นจิตใจของเราได้รับความสงบ เ, เมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาแต่พอมาถึงปีนี้ใจของเราไม่ได้รับความสงบเหมือนปีที่แล้วแสดงว่าการปฏิบัติของเราเนี่ก้าวหลังเหมือนกันไม่ใช่ก้าวหน้าอันนี้ก็ให้พยายามตรวจตามดูตัวของเราเอง ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองเพราะนั้นให้พวกเราทบทวนไต่ตรองพิจารณาคือท้งนี้ทางนั้นหลวงพ่อเองมีแต่ว่าชี้แนะชีน้นาเท่านั้นเองให้พวกเราคิดยังไงทํำยังไงนะจะทำยังไงจึงจะให้ใจของเราก้าวหน้าในด้านธรรมะใจของเราจะได้รับความ สงบเยือกเย็นเห็นตามความเป็นจริงตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนนะนี่แหละ ว, วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางอีสานของเราคือเป็นวันทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรตญาตทั้งหลาย คำว่าเปเทยา่าเด็กพวกเราดูแล้วเหมือนจะเป็นเปรตแต่ตามให้จริงมันเป็นวิญญาณนะเป็นวิวญญาณที่ล่องลอยยังไปที่ไหนไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านก็ไลยตั้งชื่อว่าเปรตทยต่อผู้ที่จะมารับส่วนบุญสวนกุศลเปเทยา่านี่มีหลายระดับมีหลายระดับขั้นตอนบางเปรตบางประเภทก็ไม่สามารถที่จะมารับ ส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราได้ตีนหมวกขลาเห็นเปรตตีนเขาคึ้จะโกรธอย่างนั้นอ่ะบางเปรตบางตัวก็ไฟลุกไหม้ลามถึงหัวถึงหางเปรตงูลักษณะเปรตงูอย่างนั้นเปรตยาวอ่างั้นอ่ะไฟถึงไหม้ถึงหัวถึงทะถึงตีนไหม้ถึงตีนถึงหัวไหม้ถึงหัวถึงตีนลามอย่างงั้น ไปที่ไหนไม่ได้เพราะกลัมที่ได้กระทาไว้แล้วในอดีตชาติท่นี้พระลักษณะกับพระโมกคลาเดินตามหลังกันมาพระโมกคลาเป็นอัครสาวกข้างซ้ายพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นอดีตอนาคตเพ่างั้นแหละพระลักษณะก็เดินตามหลังพอเห็นพระโมกคลาท่านก็ยิ้มแย้มโอดโอ้กรัมของสัตว์เนอะ กรรมของปิญญาทำกรรมดีไว้แต่นี้พระลักษณะก็ถามว่าท่านโมกคลาท่านดูดูแลท่านยิ้มเพราะเหตุอันใดพระโมกคลาก็บอกว่าไปถึงสำนักพระพุทธเจ้าซะก่อนแล้วค่อยถามผมนะผมจะเล่าให้ฟังแต่นี้ถ้าพูดอยู่เดนี้ก็มันได้ยินน้อยคนเพื่อจะได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ ยืนยันความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าว่าพระโมกคลาพูดองค์เดียวก็ไม่มีพระพุทธเจ้ายืนยันก็ไม่หนักแน่นลักษณะอย่างนั้นแต่นี้พอไปถึงสำนักตอนพระพักพระพุทธเจ้าพระลักษณะก็ถามพระโมกคลาว่าท่านให้กระผมถามที่ท่านเยี่ยมเยิ้ม ในตีนเขาก็จะโกด์นั่นน่ะท่านบอกว่าให้มาถามในสำนักพระพุทธเจ้าท่านเยิ่มด้วยเหตุอันใดครับท่านโมฆคลาผักพักผักลักษณะถามพระโมฆคลาท่านบอกว่าผมเห็นเปรตเห็นเปรตงูเห็นเปรตยาวตัวยาวมากเลยไฟไหม้ตั้งแต่ตีนจนถึงหัวไปจงหัวถึงตีนแล้วก็ลุกตรงกลางไหม้ไปทั้งสองข้าง เปรตตัวนั้นมีแต่ทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นเหมือนั้นพระพุทธเจ้ายืนยนันหมดเออใช่เราได้เห็นเปรตตัวนั้นตั้งแตง่เมื่อเราได้ตัดสรตวที่โคลนต้นโพเราก็ได้เห็นเหมือนกันเปรตตัวเนี้บาปกรรมของเขาในอดีตชาติตอนนี้พระสงฆ์ก็เลยกราบทูลถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าเปรตตัวนี้เขาทํากรรมอันไดไว้ในใ น, ในอดีตชาติ พระพุทธองค์ท่านก็บอกว่าในอดีตชาติของเขาเขาเป็นคนไม่ดีเป็นโจรเป็นผู้ร้ายชอบหาย่องลักขโมยของเขากลางคืนว่างั้นพอได้อันไหนก็ลักขโมยสิ่งของของเขาแต่นี่พอวันนั้นอ่ะพอเขา ไปหาขาโมยของเขาตีนของเขาก็เปืด้ดฮะพอวันย่องไปกลางคืนแต่นี้นเขากำมานอนอยู่ที่ศาลาศาลาของพระต่นี้นท่านเศรษฐีท่านก็สร้างวัดเหมือนกับอนาถาบิดิกะเศรษฐีนะสร้างวัดวัดป่าเชตวันอย่างนั้นน่ะแต่นี้นแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้ากัดสปะองค์ก่อนนุ่งก่อนพระพุทธเจ้าของเราอุบัติขึ้นในโลกอ่างนั้นะ แต่ท่านก็เห็นคนนันนอนตีนโผล่ออกมาท่านก็บอกเอไอ้ น, นี่นมันไปยังไงเนี่ยเป็นคนจอจัดหรือเปล่าเนี่ยมันคงจะไปหาขโมยเข้ามาั้งเนี่ดูมันเหมือนกับคนย่ำเหยียบย่ำหากินกลางคืนเนี่ยทำไมมันนอนอยู่ที่นี่ไอ้โจรคนนั้นก็มันก็ล เปิดผ้าดูเห็นเศรษฐีมันก็เลยผูกอาคาดในเศรษฐีนั้นเอ า, ถาเถอะเศรษฐีตอนนี้มันดูถูกเราเนี่วะไม่ใช่มันก็ดูถูกจริงๆน่ไม่ใช่ดูผิดว่างั้นแตมันก็เป็นโจรจริงๆจะว่าดูผิดได้ยังไงก็ดูถูกชัดๆเลยว่างั้นแตแอบเพราะมันทำความผิดเนี่จะว่าดูอจะว่าดูผิดได้ยังไงมันดูถูกเรว่างั้นแ่แอว่าอันนี้เป็นโจรน อ, อ่มันเป็นโจรชัดๆว่างั้นแ มันไปหากินกลางค่ำกลางคืนมามันก็มานอนอยู่นะทีนี้มันก็โจรคนนั้นก็นเลยผูกอาคาดในเศรษฐีคนนั้นเอาเถอะข้าจะต้องจัดการให้มันช้าใจมันเหมือนกันทีแรกกับไปตัดเท้าวัวควายอยู่ในคอกของเศรษฐีพรเศรษฐีก็มีวัวมีควายเหมือนกันดนะไปตัด ه, เศรษฐีเราเอ๊ ه, สงสัยแล้วสงสัยไอ้นั่นเราไอ้ที่เราไปเห็นนั่นอะ่ะมันคงจะโกรธให้เราก็มั่งอย่าจากนั้นมามันก็ไปเผานาเศรษฐีเออคล้ายๆว่าอะไรของเศรษฐี้ามันจะไปรังแกเบียดเบียนหมดเศรษฐีก็นึกขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็คิดว่าไอ้นัทแหละไอ้ที่ไปพูดอยู่วัดนั่นอะ่ะ มันคนอื่นเราก็ไม่ได้ทําไม่ได้พูดอะไรแต่อันั้นเราพูดตรงเกินไปลักษณะอย่างนั้นเพราะมันมันไปนอนในวัดของท่านไปนอนที่ศาลาของท่านท่านไปเห็นเนี่ยท่านก็คงจะพูดให้มันเจ็บใจสักหน่อยแบบนั้นเถอะมันนอนอยู่ยังไงเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบเนี่เหมือนกับโจนน่ยลักษณะอย่างนั้นแต่มันก็เป็นโจนจริงๆแบบนั้นเถะแสดงมันก็เลยผูกอาฆาตในเศรษฐีนั้นไปเผาบ้านเผาไล่เผานาเผา อะไรของเศรษฐีอยู่ห่างๆเศรษฐีมันจะเผาบ้านเศรษฐีมัวคงเผาไม่ได้เพราะเศรษฐีมีบริวารมากใช่ไหมนีันจะทําอะไรมันก็เข้าไปใกล้เศรษฐีไม่ได้แต่มันอะไรเป็นของเศรษฐีมันแบลังแกเบียดเบียนให้เศรษฐีเจ็บใจไว้เงันเถอะเศรษฐีก็เฉยเผาไปเผาเผาได้เผาไปมันทำได้ทําไปเพราะเศรษฐีเป็นจิตใจเป็นกุศล ทีนี้เขาก็เลยมาเผาเผาวัดพระพุทธเจ้าี้เขาเผาศล า, าพระสงฆาาาา์ไปเผาศลาพระสงฆ์ไหม้วอดเลยทนี่มันโจรไอ้นี่ม า, มาเผ า, เอาพอเผาเสร็จแล้วทีนี้เศรษฐีมาเหตุอีกทั้งที่เศรษฐีจะโมโหโกรธนะเศรษฐีกลับดี อ, อกดีใจตกมือโอ้ดีเราจะได้สร้าง สาราอีกถวายพระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์อีกเราจะได้บุญอีกรอบที่2องรอบก่อนเราสร้างไปแล้วได้บุญไปแล้วบัดนี้ไฟไหม้เราจะทําบุญอีกรอบที่2องอโจนคนนั้นก็ผิดหวังอีกว่าจะให้เศรษฐีเจ็บใจกับเศรษฐียิ่งดีใจขึ้นมาอีกเพราะจะได้ทําบุญรอบที่สองตอนนี้เศรษฐีกับพยายามก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยพอเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็ ก่อนที่จะถวายศาลาเสนาสนะในพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ทั้งหลายโจรคนนี้ก็เอาถ้าข่าวนี้จะเรา จ, จัดการตัดคอเศรษฐีเลยละบาทนี่ถ้าเอ่ยขึ้นมาว่าคงเป็นโจรคนนั่นแหละมาเผาศาลาของเราเนี่ยเราก็คงจะจัดการเลยทีนี้เศรษฐีก็พอ สร้างศาลาเสร็จแล้วก็นิมวลพระสงฆ์พร้อมพระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์ทั้งหลายศรัทธาญาติโยมพี่น้องเข้าไปถวายศาลาเศรษฐีเอ่อยขึ้นเลยว่าเข้าพเจ้าได้สร้างศาลาเป็นกุศลมหากุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ข้าพเจ้าขออุทิศขอ อ, อ ให้ผู้ที่เผาศลาเนี่ยได้รับส่วนบุญส่วนกุศลของข้าพเจ้าเหมือนกับข้าพเจ้าได้รับให้ได้บุญกุศลมากๆเท่ากับกับข้าพเจ้าได้รับให้เข้าให้ให้รับเอแบ่งครึ่งกันเลยว่างั้นเถอะข้าพเจ้าเี่ยไม่ได้เบียดเบียนไม่ได้คิดรังแกอะไรทั้งหมดอืทะเลโจรคนนั้นที่อยู่ใกล้ๆว่าจะฆ่าเศรษฐีคนีโอ้โหตาย ถ้าเราคิดเปลี่ยนเปลียนค่าเศรษฐีคนนีเ้เราต้องนรกอเวจีมันต้องแผ่นดินูบเราแน่แน่เหมืนกันเลยแต่แกเลยสำนึกผิดขึ้นมาเลยเข้ามาหมอบกราบเศรษฐีโอ้ยผมให้ขอท่านเศรษฐีให้อภัยผมด้วยเถินผมคิดไม่ดีผมทำไม่ดีโจนกลับใจเหงนันถะเศรษฐีก็เลยถามมาทาไม โจรคนนั้นก็บอกว่ากับผมคิดว่าจะมาเพื่อจะฆ่าท่านวันนี้ทางวันท่านพูดในสิ่งที่มันไม่ดีแต่ที น, นี้ท่านพูดมีจะให้ผมผมทำคิดทางไม่ดีถ้าผมขืนคิดในทางไม่ดีต่อไปผมแผ่นดินต้องสูบผมแน่แน่เศรษฐีก็เลยถามว่าเรื่องอะไรเขาก็เลยเล่าให้ฟังตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันที่เศรษฐีไปเห็นเขานะ ที่ไป น, นอนอยู่ในวัดกลางคืนตอนเช้าเศรษฐีเห็นเท้ามันเปื้อนก็เลยผุดขึ้นม า, เ, า, เ, ขาเขาเลยบอกว่าเขาเจ็บใจแังคันท้งนั้นเรื่องต่างๆที่ผมทำหนึ่งสองสามสี่ห้าเขากดมันก็เป็นอย่างที่เศรษฐีคิดทั้งหมดว่างั้นแต่ตอนนี้เขาก็ เ, าเลยเขายอมบอกว่าเขาจะกลับตนเป็นคนดีจะไม่ทำความชั่วอีก เขาก็จะมอบกายพร้อมกับครอบครัวลูกเต่าของเขามารับใช้ท่านเศรษฐีจนถึงวันตายจะเป็นคนดีจะไม่ทําความชั่วเศรษฐีบอกเออดีละท่านได้มาสารภาพผิดกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าผิดจริงๆนั่นแหะที่ได้พูดให้ท่านเจ็บอกเจ็บใจเพราะนั้นให้ท่านโอ้โหสิให้ผมด้วยผมได้ผิดไปแล้วในจุดนั้น ต่อไปในพวกเราอย่าได้มีการผูกพยาบาทอาคาตจองเวรต่อกันผมยินดีให้อภัยทุกอย่างที่ท่านได้กระทําไปแล้วนั้นแต่ว่าที่ท่านจะมาเป็นลูกน้องผมนั้นไม่จําเป็นเพราะลูกน้องผมก็มีมากอยู่แล้วเอาเถอะนะให้อยู่อิสระไปเลยอยู่เย็นเป็นสุขไปเลยนะไม่ต้องมามาเป็นลูกน้องผมหรอกเพราะลูกน้องผมก็มีมากอยู่แล้ว ให้ท่านอยู่หาอยู่หากินตามสะดวกสบายมีอะไรขาดเหลือขาดตกก็บอกผมได้เศรษฐีก็ยังให้อันนั้นอีกเศรษฐีคงจะคิดในใจเหมือนกันนะหลวงพ่อว่าโอ้โหขนาดคิดขนาดนั้นจะจะมาฆ่าเราถึงขนาดนี้ถ้ามาเป็นลูกน้องอีกถ้าผิดใจขึ้นมาคงจะเล่นงานเราอีกเศรษฐีคงคงจะคิดหนักเหมือนกันมั้งั้นเถอะถึงจะเป็น ถึงจะกลับใจก็เถอะมันอาจจะกลับไปอีกก็ได้พุาใจมีกิเลสเนี่ยเสรษฐีท่านก็รู้เล่าเท่ารู้ทันท่านก็เลยปฏิเสธไปเลยนี่และทนี้ถึงท่านจะให้อภัยยังไงก็ตามแต่กรรมตัวนั้นะกรรมที่เขากระทำได้เผา เ, เสนาสะนะสมสาราของพระพุทธเจ้าพร้อมผสมมันทำกรรมอย่างหนักหนาสาหดทีเดียว พอตายจากพบนั้นชาตินั้นไปก็ตกนรกแท้นี่ยตกนรกเอเวจีใชยาวนานจากนั้นก็มาใช้วิบากกรรมวิบากคือผลของกรรมที่ทําไวแล้วมันยังไม่หมดสิ้์วิบากมันยังมีอยู่วิบากกรรมยังมีอยู่ก็มาเป็นเปรตอย่างที่พระโมกคลาเห็นนี่แหละอันนี้แหละแปลว่ากรรมคือการกระทํามันเป็นวิบากสืบเนื่อง เพราะนั้นตายแล้วมันไม่สูนนะตายมันเกิดอีกท่านผู้รู้มียารทัศนะท่านมองได้เห็นได้ดวงวิญญาณของแต่ละดวงเพราะนั้นท่านจึงแนะนําสั่งสอนพวกชาวพุทธพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าการจะทำสิ่งใดคิดสิ่งใดทำสิ่งใดพูดสิ่งใดต้องไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลอย่าไปทำโดย ไม่มีเหตุผลอย่าไปทําคิดทําในสิ่งที่มันชั่วทามันชั่วทํากรรมชั่วแล้วกรรมชั่วน่าจะตามติดตามมาเมื่อภายหลังเอกตังลุกตังเสโยปัชชาตะปฏิลุกตังในโอวัชช ต, ตในโอว า, อวาทปฏิโมกกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผลาญเมื่อภายหลังนี่แหละ คือชายโจรคนนั่นก่อนที่ทำเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ทีนี้เป็นไงกรรมชั่วนั้นตามมาตกนรกไปแล้วยังไม่แล้วยังมาไฟเผาไหม้ร่างกายตัวเองอีกเพราะทำกรรมชั่วไว้ในอดีตเพราะกรรมชั่วตามมาเพื่อเมื่อภายหลังกว่าจะหมดกรรมก็คงจะนานโขอพอสมควรเพราะนั้น การกระทำสิ่งใดก็าตามของพวกเรานะให้สําเนียกสํานึกไว้อย่าไปทำในสิ่งที่มันไม่ดีถ้ามันไม่ดีแล้วกรรมชั่วนะั้นจะตามสนองเรานานเท่านานกรรมหนักกรรมเบ า, บางถ้ากรรมเบามันก็ใช้ผลน้อยเหมือนขลุโทษระหุโทษอย่างนั้นะ่ะถ้าเป็นรหุโทษระหุโทษโทษเบานิติดในนอยโทษสินไหมบังโทษจาคุกบังตักเตือนบัง ลงทันไว้บัง อ, อย่างนี้แต่ถ้าว่าโทษหนักเข้าไปก่อนจำคุกเท่านั้นปีเท่านั้นปีจนถึงถึงโทษประหารถึงโทษประหารอย่างมืแล้วประหารหลายครั้งอีกต่างหากโทษมันหนั ก, กว่างั้นแต่เพราะนั้นพวกเราอย่าอย่าทำในสิ่งที่ไม่ดีคำว่าดีนันคืออะไรมันไม่ดีนันคืออะไรคำว่าดีนันคือศีลห้า พระพุทธเจ้าห้ามว่ า, ยารรอย่าทำแปลว่าคําสั่งสั่งว่าอย่าทำฆ่าว่าใครทํำแปลว่าผิดคําสั่งผิดคําสั่งของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าอย่าทำอย่าทำแปลว่าคําสั่งให้งดเว้นการฆ่าสัตว์ทุกอย่างอาธินาทานขโมยเขาทุกอย่าง โดยเจ้าของเขาไม่ได้ให้ให้ร่วงให้นมัตระวังสามีพัญญาของคนอื่นอย่าทำอย่ามุสาอย่ากโกหกคนอื่นอย่าทำอย่าดื่มสุราและเมลยัยอย่าทำอันนี้เป็นคำสั่งคำสอนนันคืออะไรท่านสอนว่าในเมื่อไม่ฆ่าสัตว์แล้วท่านจะไปนสะถ า, านที่ใดท่านก็จะได้รับความปล่มเย็นเป็นถุกด้วยเมตตาของท่าน อยู่ที่หนก็อยู่ที่ไหนก็เ ย, ยือกเย็นอยู่ที่ไหนก็มีความสุขเพราะท่านไม่ได้เบียดเบียนเขาไว้แต่ถ้าว่าท่านเบียดเบียนเขาไว้ในเมื่อไปฆ่าเขาเขาก็ต้องคิดฆ่าท่านในเมื่อไปด่าเขาเขาก็ต้องด่าท่านในเมื่อไปเบียดเบียนเขาเขาก็ต้องเบียดเบียนท่านอ่าอันนี้คือสอนละบาเนี่สอนผลผลว่าการกะสั่งห้ามแล้วก็ผลของไม่ทาแล้วเป็นยังไง สรุปแล้วก็ผลก็คือมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขถ้าเรางดสิ่งเหล่านั้นได้แล้วนะเพราะนั้นศีลห้านี่แหละปิดอบายภูมิปิดนรกปิดหนทางที่จะไปสู่เปรตอสุรกายสัตติธรรมมีแต่ความร่มเย็นเป็นถูกถ้าผู้ใดมีศีลห้าเพราะนั้นศีลห้าเนี่ยที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าผู้ใดมีศีลห้าแล้วไม่ตกนรกไม่ตกต่ํา มีแต่ไปสู่ถ้าเกิดมาในเมืองมนุษย์กับเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีน อ, อกจากจไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นไปเป็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมถ้าผู้ใดมีศีลห้าถ้าว่าไม่มีศีลห้าแล้วพระพุทธเจ้าไม่รับรองว่าเขาคนนั้นจะตกไปใ น, นสถานถิ่นใดเพราะว่าเขาเป็น บุคคลที่ไม่แน่นอนเพราะว่าเขาทำกลำ้ำนานาได้ลหลายอย่างพร้อมที่จะทำทั้งหนักทั้งเบาอะไรได้แต่ถ้าว่าศีลห้าเนี่ยเป็นเครื่องบ่งบอกไว้เลยว่าคนดเีเป็นคนดีได้แล้วสีเลนะสุขติงยันติผู้จะไปสู่สุขติได้เพราะศีลสีเลนะโพกสัมปทา ผู้จะมีโพคะสมบัติได้เพราะสินสีเลนะนิปุติงยันติผู้จะไปสูนพันิพานได้เพราะศินนะเพราะนั้นศินเนี่ยเราจะมองเป็นของเล็กน้อยไม่ได้ศินคือรักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อยในเมื่อรักษากายวาจาของเราเรียบร้อยแล้วเป็นรั้วกัน้นไม่เหตุเราทําความชั่วแล้ว เราก็มุ่งไปหวังไปในทางที่ดเีเมื่อหวังไปทางที่ดีหันหน้าไปทางที่ดีพวกเราก็จะได้รับแต่ความสุขความเย็นใจเพราะอันนี้สงสินคลุมครองแต่ถ้าว่าคนไม่มีสินไปณนะสถานที่ใด เ, เขาก็ต้องระวงไว้ก่อนว่าเป็นคนดีหรือไม่ทางว่าไปทาสิ่งที่เขา ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเขาก็ต้องเตรียมตัวระวังระวังหลายด้านอาจจะมาเกี่ยวกับทรัพย์สินของเขาอาจจะชีวิตของเขาด้วยอาจจะคนอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยได้เพราะนั้นถ้าเราเป็นผู้มีสินแลวไปณนะสถานถิ่นใดความไว้เนื้อเชื่อใจไว้อกไว้ใจกันได้เพราะเป็นผู้มีศินแต่ถ้าว่าคนไม่มีสินแล้วไปทำราชการงานเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่ชอบยักยอกทรัพย์ชอบโกหกชอบขโมยนี่ถ้าไปทำงานเกี่ยวกับการเงินน่ไม่รู้ตรวจไม่รู้กี่คนตัวกี่คนมางั้นเถอะถึงจะฉลาดขนาดไหนก็เถอะเชี่ยวชาญขนาดไหนก็เถอะต้องมีกรรมการตรวจและตรวจอีกเพราะเขาไม่ไว้ใจแต่ถ้าว่าคนมีศีลธรรมสื่อสัตว์สุดจริญแล้ว ไปทำเข้าไปเขาเขาไม่ได้ตรวจละเอียดละ อ, อ่เพราะว่าเขาไว้ใจไว้ใจคนทําว่าคงจะไม่ทําให้เขาเดือดร้อนเขาคงจะไม่ทําให้ประเทศชาติเดือดร้อนเพราะเขาเป็นผู้มีสินเนี่ยินเนี่ยเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจสําหรับคนเราทุกๆคนที่อยู่ร่วมกันเพราะนั้นสินจึงมีคุณค่าสําหรับชุมชนของโลก ถ้ามีสินอยู่ในโลกมากหรือว่ทุกคนมีสินอยู่ในโลกโลกใบนี้โลกประเทศชาติในยุคนั้นสมัยนั้นเวลานั้นโลกก็จะตมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะโลกมีสินคลุมคล่องแต่ถ้าว่าโลกในยุคใดขาดสินไม่ถือว่าสินเป็นสิน่งที่จำเป็นสำคัญต่างคนต่างทาตาม ความคิดความเห็นของตัวเองโดยมากความคิดความเห็นของตนเองมันจะชอบไหลไปทางต่ําชอบไปไหลไปทางกิเลสราคะบั้งโทสะบั้งโมหะบาั้งไปไหลไปในทางที่มันชั่วช้าลามกมากกว่าเพราะนั้นโลกในยุคนั้นสมัยนั้นจะเดือดร้อนวุ่นวายอย่างโลกทุกวันนี้น่ะถือว่าศีลธรรมเป็นของเก่าของล่าสมัยไม่ได้นํามาใช้และเป็นยังไง ถือว่าของที่อุปโลกกันขึ้นมาใหม่เป็นของทันสมัยเป็นของที่เลิศประเสริฐผลที่สู่กับข้าวฟันรันแทงกันแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ละวันไม่เว้นไม่รู้ว่าข่าวตอนข่าวไหนตกข่าวไหนถ้าวันลงทุกข่าวหนึ่งหนังสือพิมพ์จะไม่มีหน้าไหนที่จะไม่ได้ลงว่างั้นเถอะ กระ l e ลงเป็นบางเรื่องบางราวแต่มันเรื่องราวมันมากกว่านั้นเพราะนั้นอันนี้เพียงแต่ประเทศไทยนะถ้าว่าต่างประเทศเข้ามาอีกไม่รู้เรื่องอะไรล่ะ อ, อ, อาจจะเป็นร้อยหน้าอาจจะมีแต่เรื่องฆ่ากันทั้งนั้นสรุปแล้วก็คือเรื่องขาดศีลธรรมแต่หากว่าทุกคนมีศีลธรรมตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ตามแนวแถวของพุทธศาสนาแล้วโลกใบนี้จะไม่มี จะอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเพราะสินคลุมครองสินคลุมครองกายวาจาของแต่ละคนจะคิดจะทำสิ่งใดก็ให้ตรวจตราดูสินของตัวเองเมื่อทำไปแล้วทำให้แก่เขาอย่างนี้เขาจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าเขามาทำให้เราอย่างนี้ที่เราคิดจะทำให้เขาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกอย่างไรเนี่ย อันนี้ก็คือมีจริยธรรมในจิตใจท่านเองสินและธรรมเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะสินและธรรมจริยธรรมมันอยู่ในอันเดียวกันถ้าคนมีสินธรรมจริยธรรมแล้วโลกใบนี้ก็น่าอยู่นะน่าอยู่ร ะ, ะดับหนึ่งแต่ถึงยังไงก็ถึงจะน่าอยู่แต่ทุกคนก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันในจุดนั้นคือไม่น่าอยู่อีกถ้าพิจารณาด้วยปัญญา แต่โดยมากมันไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าน่าอยู่ไปเฉยๆเหมือนกับหมูอยู่ในคอกในเล้าอย่างนั้นอ่ะหมูอยู่ในคอกในเล้ามันก็ไม่ได้คิดไกลอพอถึงเวลาก็เจ้าของก็เอาแกบเอาลำเอาอาหารเอาน้ำมาให้กินกินแล้วก็คิดไม่ได้คิดอะไรว่าข้าจะอยู่ไปทําไมจะอยู่ไปนานเท่าไหร่ไม่ได้คิดอพอใหญ่ๆขึ้นมาได้ขนาดแค่นี้เจ้าของกับ ลับออกมาช่งางหานีพอช่างนะก็ปล่อยให้เขาไปแห ล, ละท่นีนั่นแหละอพอเอกไปแล้วเขาไปทาอะไ ร, ออเรเขาเอาเข้าโรงฆ่าสัตว์เขาเชือดคอได้กว่าจะรู้ได้เนาะตายไปละพอเขาเชือดค อ, อพอตายไปแล้วกนั่นะเกิดอีก เ, อเกิดอีกในโลกนี้แหละ เ, เป็นหมูอีกอย่างเก้านั่นแหละ อ, อยู่เย็นเป็นสุกอีกอย่างเก่า พราะในส่วนก็เชื้อดคอยเอกพอตายไปแล้วก็ก่อนที่จะตายเนะี่ยมันทุกข์มากเห่างนั้นะพวกเราเกิดมาในโลกถ้าจะพิจารณาไปถ้าเปรียบเทียบกันมันก็คล้ายๆนั่นแหละแต่พวกเราไม่อยากจะคิดมันเฉยๆแต่ถ้าว่าคิดให้ดีแล้วมันลักษณะอย่างนั้นนะเกิดมาก็สนุกสนานเพลิดเพลินตื่นเริงเฮฮาสนุกสนานเ อ, อแก่ เข้าชลาไปพ้นที่สุดน่ะเวลาจะตาย น, นี่แเอกระแส ก, กระสนเออที่ไปเห็นดูจะ่ทำยังไงได้ก็ตายไปตายไปแล้วก็เอาลืมไปแล้วกลับมาเกิดใหม่เป็นเด็กต่อใหม่เกิเป็นใหญ่ใหขึ้นมาพลนสุดก็ตายอีกนี่แหละวัตวุนของมนุษย์ชาติพระพุทธเจ้าเห็นแล้วมันมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้า ท่านจึงได้หาวิธีที่จะทํำยังไงถึงจะไม่มาเกิดอีกนะนี่แหละถึงจะมีความสุขในโลกขนาดไหนก็เถอะให้ความตายคือมรณะภัยจุดนั้นแ่ะที่เขาจะเชือดคอหมูนั่นะนะที่หมูอยู่ในเล้าก็มีแต่ความสะดวกสบายมีความสุขอยู่หรอกแต่วันที่เขาจะเชือดคอนั่นนะที่เขาจะฆ่านั่นนะมรณะภยัพยพญามัรจุราชจะจัดการกับเรานั่นนะ จุดนั้นเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าหาหาความสีวิไลไม่ได้หาความสุขไม่ได้ในจุดนั้นเพราะนั้นจะทำยังไงจึงไม่ให้มีจุดนั้นแต่พบนี้ชาตินี้เป็นวิบากกรรมเราจะต้องได้พบได้เจอแน่นอนไม่มีใครหลีกรี่หนีพ้นไปได้แต่เมื่อไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงจะไม่ให้มันเกิดอีกให้มันหมดเชื้อไปเลย จะกัดสกัดเชื้อมันออกให้ได้อันนี้ก็คือเป็นความคิดของพุท ธ, ธเป็นวิชาของพุท ธ, ธที่ท่านค้นคว้าเมื่อ 2,500 กว่าปีที่ท่านออกไปบวชอยู่ป่ารงพงไพยถึง6ปีแล้วก็พร้อมกันท่านก็ตั้งความปรารถนาในศาสนาของพวกทรายเจ้าทีปังกรที่ได้รับพยากรมาไม่รู้กี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสน เสียสงไข่กําไรแสนกับมากมายกว่านที่จะได้เป็นพระพุทธเจา้าล้มลุกคลุกคลานเพราะนั้นท่านสั่งสมบา ร, รมีมาเรื่อยเรื่อจนบา ร, รมีของพระ อ, องค์แก่กล้าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของพระ อ, องค์แล้วลงมาจากสวรรค์ลงมาเกิดพอมาเกิด พ, อ, พอประสูตรเรียบร้อยแล้วพระ อ, องค์ก็ สวยคลองราชอยู่ถึงอายุยี่สิบก้าปีก็เสด็จหนีออกไปปวดอยู่ในป่าบาเพ็ญอยู่ในป่าถึงหกปีอไม่ใช่น้อยนะบมเพ็ญอยู่นะั้นลองผิดลองถูกลมลุกคลุกคลานเหมือนกับเขาลองวิทยาศาสตร์อย่างนั้นอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าทดลองทดสอบทดลองการบำเพ็ญทางด้านจิตใจของพระพุทธเจ้า จะไม่ให้เกิดอีกจะทำยังไงแต่ท่านก็ทดลองทดสอบอย่างนั้นแต่บรารมีของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้สั่งสมมาในอดีตชาติเต็มเปี่ยมแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายถึงยังไงถ้าก็เดินถูกช่องถูกทางแต่ไหนจนได้ําเพ็นจิตตะภาวนาอันไหนพามาเกิดใจพามาเกิดใจคืออะไรคือนามธรรมนามธรรมคืออะไร คือตัวที่รู้รู้อยู่เดี๋ยวเนี้ทุกคนในตัวรู้รู้นั่นแหละคือนามธรร ม, มคือใจตัวนี้แหละเข้ามาคลองร่างมาอยู่ในร่างกายของเราทางว่าตัวนี้ไม่อยู่ถ้าตัวนี้ออกจากร่างไปแล้วร่างกายก็หมดสภาพตายว่างั้นแต่แต่ตัวนี้ใจตัวนี้แ่ะมาอยู่คลองร่างอยู่มาบัญชาอยู่นี่มาจับจองอยู่นี่ตั้งแต่นู่นตั้งแต่เป็นการละละพ้น่ะ พลี่พอใหญ่ขึ้นมาที่นี่สองสามเดือนขึ้นมาน่แหละวิญญาณใจของเราเนี่ยเข้าไปยึดคลองล้วบาดหม่ก็คงเข้าๆออกๆนะงั้นแต่พอต่อมาเนี่ยเข้าไปยึดมั่นแล้วไปยึดมั่นกลัวคนอื่นวิญญาณอื่นจะเข้าไปแย่งไปยึดในร่างกายต่อมาต่อมาถึงแ9ดเก้าเดือนสิบเดือนก็คลอดออกมานีเป็นคน พรานั้นใจของเรามายึดร่างกายเนี่ยว่าร่างกายเป็นของตัวเองเลยทีนี้ว่าเป็นของเราแท้ๆเลยร่างกายเนี่ยตั้งแต่ขาสองแขนสองแยกกันไม่ออกว่าร่างกายเนี่เป็นของเราแต่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสรุธรรมท่านท่านได้พิจารณาท่านว่าท่านก็สอนใจของพวกเราท่านทั้งหลายใจผู้รู้เนี่ยท่านบอกเอ้ยร่างกายเนี่นะกับเราเนี่ยมันคนละอันกันนะ ใจของเราไปถือปฏิสนธิไปยึดธาตุสีดินน้ำลมไฟเออตัวนั้นคือธาตุดินน้ำลมไฟมันเป็นธาตุสีอ่าเป็นรูปประทมส่วนนามรธรรมในใจเข้าไปยึดครองจะไปยึดถือว่าเป็นเป็นตัวของเรานะอีกสักวันหนึ่งร่างกายนี่ถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนดูดีแลดีขนาดไหนเออประคับประงงมงขนาดไหน ร่างกายเนี่ยก็จะต้องแก่ไปเรื่อยๆผลสุด ก, ก็เจ็บแล้วก็ตายมันไม่ใช่ของเรานะถ้าเป็นของเราเราก็บอกถึงอยาแก่ไว้อย่าเจ็บนะอย่าตายมันก็ต้องฟังอันนี้ร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของเรานะร่างกายเนี่เป็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราให้เราอาศัยเขาไปอยู่จักช่วระยะหนึ่งช่วขณะหนึ่ง จากนั้นก็จะต้องแยกย้ายจากการธาตุสีของมันก็เข้าไปสู่อย่างเดิมน่ยดินธาตุดินก็ไปสู่ดินธาตุน้ําก็ไปสู่น้ําธาตุลมก็ไปสู่ลมธาตุไฟก็สู่ไฟในร่างกายของคนเรามีธาตุสีดินน้ํำลมไฟดินคืออะไรธาตุดินก็คือสิ่งที่แข็งกระดูกพวกกระดูกพวกหนังเวลาตายไปแล้วก็เป็นดินส่วนธาตุน้ําก็คือพวกน้ําเลือดน้ําหนอง น้ำหูน้ำตาน้ำปัสสาวะเนี่ยคือน้ำเวลาคนตายไปเนี่ยมันท่างกายแตก่มันก็ซึมซึบลงไปซ้ำซับลงไปในดินไหลไปตามน้ำเนี่ยส่วนธาตุลมหายใจเข้าหายใจออกลมอยู่ในร่างกายอันนี้ก็อาศัยลมพอร่างกายตายไปแล้วก็ขึ้นอืดลมอยู่ในท้องก็มีอยู่แต่ลมหายใจเข้าออกเป็นหมดแล้วผลในสู่เวลาแตกเข้าไปลมก็ออกไปสู่อากาศเป็นลมส่วนธาตุไฟ ร่างกายขนาดนี้อบอุ่นเผาอาหารให้ร่างกายของเราอบอุ่นแต่พอคนตายไปเลยก็เย็นเชียบละ่ะธาตุไฟมันหมดธาตุไฟดับธาตุไฟก็ธาตุลมมันจะดับก่อ น, นจากนั้นก็ธาตุน้ําก็ออกแล้วก็ยังเหลือแต่ธาตุดินธาตุดินดับทีหลังเพื่อนหมดไปทีหลังเพื่อ น, เ พ, อนเพราะนั้นร่างกายของเรามีธาตุสีนะแต่ว่าใจของเราไปคลองใจของเราไปอาศัยไปยึดมั่น ว่าเป็นตัวตนของเราแต่ตามไม่จริงไม่ใช่นะอย่าลืมตัวนะอีกสักวันหนึ่งตายแน่นอนร่างกายนะี่อย่าลืมตัวอันนี้คือการพิจารณาการดูคือไม่ให้ใจหลงไม่ให้ใจหลงในธาตุขันตัวเองความเป็นมาเป็นมาอย่างไรทุกคนเป็นอย่า ง, งานั้นไม่เป็นอย่างอื่นอันนี้พูดตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนได้บอกเอาไว้ ตามตำรับตำราเป็นมาอย่างนั้นมาถึงยุคนีก้ก็มีส่วนเหมือนกันที่แพทย์ในแผนปัจจุบันเขาก็ยอมรับเป็นบางส่วนเหมือนกันว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านรู้อย่างนั้นแต่แพทย์เขาพูดแต่เรื่องธาตุสีคือร่างกายไม่ได้พูดถึงจิตใจเพราะว่าหลักวิชาแพทย์เนี่ยเขามองแต่กายแต่พระพุทธเจ้าถึงมองถึงใจด้วยใจคือตัวนามธรรมเนี่ยเข้าไปยึดครอง ไปยึดร่างกายอันนั้นที่ทำให้กระดุกกระดิกได้นั่นแหละคือใจเพราะพูดพุทธเจ้าเปรียบเทียบให้พวกเราได้รับรู้รับทราบว่าร่างกายเหมือนกับรถอย่างนั้นจิตใจเหมือนกับคนขับรถอย่างนั้นอ่ะมันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันพอรถมันแตกใจก็หนีออกจากร่างไปปฏิสนธิใหม่อีกนี่แหละ ไปอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเพราะพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วมันน่าเบื่อจริงๆเกิดมาแล้วก็มีความสุขแบบหมูอยู่ในเล้าอย่างนั้นนะแต่พอจะตายขึ้นมาเขาจะเชิดคอขึ้นมากดดิน้ผนผาดผาดร้องเออกอ่ะซะแล้วก็ตายไปตายไปก็หลืบหลงลืมอีก เ, อเพราะอวิชชาคือความหลงมันมีอยู่แล้วแต่เกิดเกิดขึ้นมากดติดพพติดชาติติดราคะติดโทสะติดโมหะอ่ ติดรักติดหลงเข้ามาอีกออพอเช่กัลืมต่อไปก็แก่เท่าจราตายเองมันวกวนเวียนอยู่อย่างนี้ในกามโลกรูกปโลกอรู ป, ปโลกเลยวกวนเวียนอยู่เพราะฉนั้นท่านเชียงว่าใจดวงนี้เป็นนักท่องเที่ยวเที่ยวอยู่ในภพทั้งสามกามโลกรูกปโลกอรู ป, ปโลกสูงสูงต่ำต่ำร่มร่มรอนตอนออสุขสขุทุ ก, ท, กทุกอยู่อย่างนี้นะวังภพบางชาติก็เอา บาปกรรมให้ผลกับหูหนวกตาบอดบ้าไปเสียจิตผิดมนุษย์ธรรมราบางพบบางชาติเออเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีล่ำรวยมีเงินทรัพย์สมบัติเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตเป็นไปได้ทั้งนั้นใจดวงนี่แต่ถือยังไงก็ตามก็อยู่ในวัฏฏะสงสารนันนี้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านได้บมเพ็ญ บาเพ็ญมาอยู่ตลอดให้ท่านรักษาศีลมากน้อยปลาธนาให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตอย่างที่หลวงปู่ล่าท่านบอกกล่าวลูกศิษย์ลูกหาเวลากาพุโทโธธรรมโมสังโคนิพพานังข้าพเจ้ากาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อหวังพันิพันธ์ถึงจะเดินยังกลม ยกมือขึ้นหัวพุโทโธธรรมโมสังโฆนิพพานังเข้าไปเจ้าเดินยกรมเพื่อต้องการพันิพานเวลาเราจะนั่งภาวนายกมือขึ้นพุโทโธธรรมโอสังโฆนิพพานังเข้าไปเจ้านั่งภาวนาเพื่อหวังพันิพานก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะทําสิ่งใดก็ตามท่านหวังโพธิญาณให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคต อันนี้ก็คือความมุ่งมั่นคือความตั้งใจด้วยความปรารถนาของพวกเราไม่ใช่ปรารถนาทางต่ําถ้าปรารถนาทางต่ําเป็นกิเลสนะปรารถนาพ้นทุกเนี่ยนี่แหละเป็นมัชมัชคะคือหนทางที่จะไปสู่คุณงามความดีเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆคนนะพยายามสั่งสมบุญกุศลเอาไว้อย่าประมาทตายแล้วไม่สูญหลวงพ่อพูดคำนี้ เกือบทุกครั้งให้เตือนใครสรุปแล้วก็คือเตือนพวกเราที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้ที่ท่านได้เห็นเปรตอย่างที่ได้กล่าวเบื้องต้นพระโมกขาลาเห็นเปรตถ้าตายแล้วจะเป็นเปรตได้ยังไงตายแล้วศูนยนี่พระโมกขาลาท่านเห็นจากนั้นท่านก็พูดในพระไตรปิฎกหลายคั้นหลายตอนถ้าเราได้ศึกษาแล้ว พุทธศาสนาพรุทธเจ้าภาษาวกทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านเน้นหนักไว้บอกกล่าวเอาไว้ว่าตายแล้วต้องเกิดอีกที่พวกเราได้รับผลบาปบุญคุณโทษเป็นวิบากกรรมที่พวกเราได้ทำไว้ในอดีตไม่เหมือนกันสุขบ้างทุกบ้างบางทีก็เจ็บไข้ได้ป่วยบ้างอะไรบ้าง เพราะว่าการกระทำของพวกเราไม่เหมือนกันบางคนก็หนักในศีลบางคนก็หนักในทานบางคนก็หนักในสมาธิภาวนาบางคนก็หนักในทานในศีลบางคนก็ไม่หนักในภาวนาบางคนก็หนักภาวนาไม่ได้หนักในทานในศีลสิ่งเหล่านี้จะให้เสมอเหมือนกันยากเพราะนั้นระดับจิตใจของคนเราระดับการเป็นอยู่ของพวกเรา ปั ญ, ญแปกแตกต่าง ก, กันกรรมจำแนกสัตว์ให้เกิดในที่ต่างๆเป็นวิถีการดำรงชีวิตต่างๆกันไม่เหมือนกันนี่แหละกรรมจำแนกกรรมจำแนกสัตว์สรรพสัตว์ตตทั้งหลายกรรมมูนีนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ที่ตนได้กระทําไว้แล้วเพราะฉะนั้นพวกเราให้ทําแต่กรรมดีนะอย่าไปทํากรรมชั่วถ้ากรรมชั่วแลว้วอักตางลุกตังเสยโยปราชตาปฏิลุกตั ง, ยยรต ก, ตงกรรมชั่วจะทําเสเลดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ของพวกเราแล้วก็พร้อมการจะทํำยังไงพวกเราจึงจะหลีกนี้หลีกลี้หนีกรรมชั่วไปได้ พระพุทธเจ้าท่านพาบําเพ็ญมาแล้วให้นั่งภาวนานะนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงตํามลงสติเฉพาะนาบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธ ท, ทำขีดให้นิ่งจากนั้นกับพิจารณาร่างกายร่างกายอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะมันมีอะไรบ้างธาตุสี่มันเป็นยังไง มีธาตุสีมีดินมีน้ำมีลมมีไฟอยู่ในร่างกายของเรานี่จริงไหมกระดูกนะคือธาตุดินผูกเนื้อหนังนะของแข็งทั้งหลายผมคือธาตุดินแล้วธาตุน้ำคืออะไรธาตุลมนั่นคืออะไรธาตุไฟนั่นคืออะไรอยู่ในร่างกายใจของเรามายึดธาตุสีว่าเป็นตัวตนของเรามันจะมั่นคงถาวรขนาดไหนอีกสักวันหนึ่งมันจะต้องแตกสลายในที่สุด จากนั้นเราก็ทุกเป็นทุกทรมานละบ่เนี่ถ้าเราไม่ได้พิจารณาเอาไว้ก่อนนะถ้าเมื่อเราพิจารณารู้เท่ารู้ทันว่าร่างกายเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงถึงจะมีอะไรมากระทบเราก็ได้แบ่งรับแบ่งสู้เราได้พิจารณาไว้แล้วนพราะัานั้นให้พวกเราพิจารณานะพิจารณาร่างกายสังขารร่างกายของเราไม่ใช่ตัวตนของเราจากนั้นก็พยายามปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่น อย่างที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเอาไว้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ชีห้หนทางเท่านั้นนะผู้ที่จะเดินตามหรือผู้ที่จะปฏิบัติตามก็คือพวกเราพระพุทธเจ้าไม่ใช่จับมือพวกเราให้ทําพวกเราทําเองเมื่อเราเห็นรู้ตามความเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าอบรมแนะนําสั่งสอนแล้วพวกเราก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าแนะนํา และก็ผลที่เราจะได้รับก็คือมาสู่พวกเราเองอพระพุทธเจ้าไม่ได้แบ่งสรรปันส่วนผลบุญหรือผลคุณงามความดีจากเราเราเป็นผู้ได้รับทั้งนั้นเพราะนั้นให้พวกเราตัอ้งอกตั้งใจนะประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านเห็นแล้วท่านรู้แล้วโลกก็นี้ไม่น่าอยู่ท่านจึงยกมือเลยลาแล้วไปแล้วไม่เอาแล้ว แต่พวกเราเอามันสู้มันออยู่อย่างงั้นะกิเลสผลที่สุไม่เห็นใครได้สักคนอใครว่าจะเอามันเก่งกว่ามันผลที่สุดถอยหลังทุกคนกระดูกตัวเองเออกไปด้วยไม่ได้ฮทิ้งอยู่ในกองเมนอย่างงั้นะผลที่สูดเอาไปลอยอังคารจนไม่วัดไม่ไหวอย่างนั้นแต่ไม่รู้กี่พบกี่ชาติมาแล้วเพราะนั้นพวกเรา พยายามทำหนทางให้สั้นเขานะในภาวนานะอย่ามาเกิดอีกในวัตะสงสารตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ใจมันมีเชื้อคือกิเลสราคะโทสะกำจัดด้วยศีลสมาธิปัญญาจากนั้นเชื้อมันก็จะหมดแต่พอเชื้อกิเลสราคะโทสะหมดแล้วนั่นะใจหมดเชื้อแล้วมีแต่นิพพานังประมงังสุญอยยังนิพพาน เป็นศูนย์เชื้อมันนิีพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่ต้องถามใครละ่ะอยู่ในตัวของเราพวกเราทันทั้งหลายทุกๆคนที่นั่งอยู่เดี๋ยวนี้หละนะตอนนี้ไปนั่งสมาธิเลยเละนะที่นี่นะมริคกรมพุทโธพุทโธพุทโธนั่งกัดจสมะ